25. วิธีทำใจให้สงบหลวงพ่อพุธเคยสอนหลวงพ่อว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดสมถะเริ่มเมื่อหมดความจงใจวิปัสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดปิดเครื่องหมายคำพูดถ้าเราจงใจจะให้สงบตั้งอกตั้งใจบังคับตัวเองให้ไปอยู่ที่ลมอยู่ที่เท้าอยู่ที่ท้องอยู่ที่มืออยู่ที่กายทั้งกายไม่สงบหรอกจิตใจอึดอดัดแต่ถ้าหายใจเล่นๆ เ, เดี๋ยวก็สงบ